ขอความสุขความเจริญสุขมีแดะท่านผู้ฟัง ท, ทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอเรื่องคาถาของพระสารีบุตรเทระมาถึงข้อที่ว่าท่านทั้งหลายจงคุ้มครองตนเหมือนอย่างคนคุ้มครองเมืองปลายแดนทางภายในและภายนอกฉะนั้น ขณะเวลาจะได้ลุ่งเลยท่านทั้งหลายไปเสียเพราะผู้ที่รุ่งเลยเวลาไปแล้วต้องออาจยัดเยียดเศร้าโศกกันอยู่ในนรกข้อต่อไปคือข้อที่หนึ่งันห้าบุคคลพูดสงบเว้นจากการทำความชั่วพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่าน ย่อมกำจัดบาปธรรมทั้งหลายได้เหมือนลมพัดใบไม้ให้ร่วงหล่นไปเะนั้นความสงบนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกากับควบคุมกิเลสภายในใจของตัวเองไว้ได้เราก็แบ่งเป็นสามระดับใหญ่ๆคือสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจ สงบกายก็แบ่งเป็นสองช่วงคือการหลีกเล่นไปอยู่ในที่ที่สงบสงัดเงียบจากเสียงรบกวนประการหนึ่งและการสงบคือการปฏิบัติสำรวมระหวังกายของตัวเองแม้กิเลสกากับควบคุมจนล้นไปล่วงละเมิดสิทธิในชีวิตทรัพย์สินคู่ครองของบุคคลอื่น จดเป็นส่วนของสีและสิขาตลอดถึงพวกกริยามัญญาที่ดีงามทั้งหลายและสงบวาจาก็คือการพูดที่เปล่งออกมาโดยจิตใจที่มีสติปัญญาเข้ากับกับในพูดคำทุจริตมีประการต่างๆ ซึ่งสรุปแล้วก็คือเรื่องของวจีทุจริตทั้งสประการนั่นเองแล้วสงบใจคือใจสงบจากกิเลสอย่างกลางๆ ก, ก็คือสงบจากพวกนิวรณ์ทั้งหลายแล้วก็สงบขึ้นไปโดยลําดับจนถึงสงบสูงสุดก็คือเป็นพระราหันก็เรียกว่าไต่บันไดขึ้นไปเรื่อย กิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นความสงบก็เพิ่มขึ้นกิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นความสงบก็เพิ่มขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นความเยือกเย็นก็จะเพิ่มขึ้นสิ่งดีงามต่างๆที่สืบเนื่องมาจากกิเลสสงบลงไปเป็นนั้นมากก็จะติดตามมาเป็นการก้าวผ่านกิเลสไป ตามระลังความสามารถเพราะงั้นคนเราก็ออสัมผัสความสงบจากจากระดับศีลขึ้นไปแม้แต่ระดับกฎหมายู้ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนต่างๆก็มีเป็นอันมากที่โนบนาใจิตใจของบุคคลให้หันเขาหาความสงบหรือมีความสงบขึ้นเนการปฏิบัติตามรูปแบบพิธีกรรมต่างๆที่เน้น เรื่องของศาสนาจิตใจของคนก็สงบไปลองสังเกตว่าเช่นเราไปในงานศพจิตใจเราก็จะสงบขึ้นมาระดับหนึ่งกธท ร, รมาสังเวชสลดจิตถึงชีวิตของผู้ตายที่อยู่ในหลกบางคนสติปัญญาดีกว่านั้นก็อาจจะน้อมนึกข้มามหาตัว ก็มองเห็นว่าความตายได้เกิดขึ้นแล้วแก่ท่านที่อยู่ในโลงต่อไปก็ย่อมจะเกิดขึ้นแก่เราและก็คนทั้งหลายกลับมาจากงานก็เป็นผู้ไม่ประมาทสูงขึ้นนี่ก็ช่อว่าเป็นความสงบระดับหนึ่งแล้วทีนี้จิตใจที่สงบในที่นี้มันสะท้อนออกมาจากอะไรละ่ะเว้นจากการทำความชั่ว หมายความว่าใจที่ส ง, งบเนี่ยมันเป็นผลมาจากเว้นการกระทาความชั่วซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นไปนะเพราะว่าการเว้นนี่มันเป็นระดับของศีลสองศีลนสิกขาเมื่อเว้นความวาชั่วก็คืองดเว้นจากทุจริตทางกายทางวิช า, าทั้งใจแล้วก็พูดด้วยปัญญาหมายความว่าใจก็ส ง, งบเรียบง่า สงบโลภะสงบราคะลงไปมีเหตุผลสติปัญญาเพิ่มภูมขึ้นภายในใจเมื่อจะพูดอะไรก็พูดอย่างมีเหตุมีผลที่ยุติดด้วยเหตุด้วยผลด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยคำสอนในทางศาสนาการไม่ฟุ้งซ่านนั้นหมายความว่ากิเลสมันสงบอยู่ได้นานๆเพราะแต่ช่วงใดที่จิตมันฟุ้งซ่านเนี่ยปัญญามันก็ถดถอยกิเลสมันก็ฟูขึ้น จึงเป็นเขเรียกว่าเป็นปัจจัยของการอะไกันหมายความถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่าง น, น, างนี้ความสงบต้องมาจากการเว้นความชั่วคนที่มีใจิตใจสงบก็จะพูดด้วยปัญญาแล้ว ส, ภ า, สภาวะทางจิตของท่านก็ต้องมีฟุ้งซ่านคนเหล่านี้จะลอยบาปทำทั้งหลายเสียได้ เป็นผลสูงสุดแล้วนะถ้าลอยบาปรธรรมเนี่ยถือหมายความว่าเราก็ลอยไปโดยลำดับนั่นแหละแต่ว่าลอยได้หมุดสิ้นจริงๆก็คือต้องเป็นพ ร, ระอรหันต์เราจะเห็นว่าเป็นการแสดงหลักของอริยมรรคกับนิโรธซึ่งหมายความว่าปริมาณของอริยมรรคเข้มข้นขึ้น ปริมาณของนิโรธก็สูงขึ้นผลที่เกิดขึ้นจากการลอยบาปปัจฉันได้นะมันก็กลายเป็นความสงบที่แท้จริงเป็นความสงบที่สงบที่ถาวรยั่งยืนวลคําเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นปัจจัยของกันเลยกันหมายความถ้ามีก็ต้องมีด้วยกันแต่เกิดไม่มีขึ้นมาก็ข้ออื่นก็ต้องไม่มีด้วย เป็นสมมติว่าไม่มีความสงบเนี่ยคนจะเว้นความชั่วไม่ได้หรือว่าพูดคนพูดจะคนจะพูดด้วยปัญญาที่ถูกต้องสมเหตุสมผลไปทุกกรณีนะฮะไปทุกกรณีนี่ไม่ได้เพราะว่าไม่สงบบางระดับเนี่ยอาจจะพูดได้แต่ทําให้สงบมากแล้วก็เอาไม่อยู่พูดไม่ได้คุมไม่ได้ข้อต่อไปท่านบอกว่าภิกษุผู้สงบ ไม่มีความทุกข์ใจมีใจผ่องใสไม่ขุดมัวมีศีลงามเป็นนักปราดพึงทำที่สุดแต่งทุกได้นี่ก็ไปเหมือนกันนะไปถึงนิพพานเหมือนกันเอาตัวความสงบของภิกษุเนี่เป็นเกณฑ์เป็นมาตนะฮะเป็นมาศวัดถึงคุณธรรมที่จะกล่าวในโอกาสต่อไปทั้งหมดเมื่อจิตใจท่านสงบเนี่ยก็จะไม่มีความทุกข์ใจ ถ้าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากกิเลสจิตที่สงบก็คือสงบจากกิเลสกิเลสสงบลงมากเท่าไรเนี่ยความสุขความทุกข์ก็จะลดลงไปเท่านั้นแล้วก็ใจก็จะผ่องใสขึ้นเท่านั้นการผ่องใสของใจนั้นก็คือใจที่ไม่ขุดมัว แล้วก็ศีลที่ออกมาทางกายกับทางวาจาเป็นสันตากายสันตะวโจวมันสะท้อนมาจากสันตมโนคือจิตที่สงบแล่ท่านผู้นั้นก็เป็นนักปราชญาคือเป็นผู้มีปัญญาเพราะปัญญาเป็นตัวทําลายล้างกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเภทโมหะนี่เป็นหลักประเภทอื่นก็รองลงมาแต่ก็ถูกทาลายไปด้วยกันนั่นแหละ ไม่ว่ากิเลสจะมีชื่ออย่างไรก็ตามถ้าปัญญาปรากฏแล้วกิเลสอย่างอื่นก็ต้องถูกทำลายไปทำลายได้มากได้น้อยก็ขึ้นกับปริมาณของปัญญาที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นเป็นเช่นนี้เมื่อทุกจุดสมบูรณ์หมายความว่าท่านไม่มีทุกข์ใจอย่างแท้จริงใจทัดปองใสอย่างแท้จริงโดยไม่มีความขุนหมูอะไรอยู่เลย ศีลของท่านก็ดีงามแล้วก็เป็นนักปราศก็กลายเป็นผู้ส ง, งบผู้ส ง, งบนั่นแหละคือทำที่สุดแห่งทุกได้ทำที่สุดแห่งทุกมันก็ทําไปโดยลําดับแต่ว่าถึงจุดสูงสุดก็อีกแหละก็คือเป็นพระอรหันย์อย่าลืมนะฮะเป็นคํากล่าวของพระอรหันต์ท่านจะกล่าวผลสูงสุดไว้ทุกทุกที่อทุกแห่งพระพุทธเจ้านั้นก็เรียกว่าแสดงธรรมมีพระอรหันต์ป็นยอด ก็แสดงขึ้นไปเรื่อยๆและถึงจุดหดนึ่งก็จะถึงอรหันต์บรรลุเป็นผู้บรรลุ ก, ก็เป็นพระอรหรันต์อต่อไปท่านกล่าวว่าบุคคลไม่ควรวางใจในคนบางพวกไม่ว่าจะเป็นฤาษีหรือวันปัชิตเพราะนี่คือคนคนมันก็คือคน คนเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากที่สุดบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายแต่ถ้าพื้นฐานทางจิตเขาสูงแล้วจะเข้าใจง่ายที่สุดบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็อยู่ในอำนาจของกิเลส ก, ก็เรียกว่าเป็นปุถุชน่ันใช้คำว่าบุคคลนะฮะบุคคลที่จริงก็แปลว่าสัตว์โลกที่เคลียวเกนฑของซึ่งไม่สา เพราะฉะนั้นอย่างที่ภาสิตยิงเขาบอกว่ารู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนจะเองนะของเรานะฮะอย่าวางอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนจะเองเพราะคนเป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่คิดอย่างหนึ่งทาอย่างหนึ่งแล้วก็พูดอย่างเด็กได้อาการที่ปรากฏข้างนอกนั้นสวยงามน่าเคารพย่มเกรง แต่บางทีก็เป็นคนเจ้าเล่ห์มายาเสียแซงหลอกลวงต้องการได้รับการยอมรับนับถือยกย่องจากบุคคลทั้งหลายเป็นที่สรรเสริญของบุคคลทั้งหลายแต่คนเหล่านี้ยามใดที่ถูกกระแทกด้วยราคะกระแทกด้วยโลภะกระแทกด้วยโทสะก็จะแสดงไหลออกมาหมายความว่าอาการของความไม่ดีที่มีอยู่จริง วาการที่แสดงนั้นมันไม่จริงไอ้ตัวจริงก็จะออกมาก็เรียกว่าอะไรอย่างแบบหนังจีนเขาเรียกว่าสุนัขจริงจอกปีศาจจริงจอกอะไรแต่ไรต่างๆครับเนี่ยจะแสดงดียังไงเราพอถึงจุดหนึ่งพอจะโกรธขึ้นมาเนี่ยมันมันหางมันจะออกมาอันก็เป็นตัวอย่างอย่างใดล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาหมายความไปยังไงหรืออาจจะมีอยู่จริง ในตำนานของจีนเราก็ไม่รู้แต่สรุปแล้วว่าคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะการไว้ใจคนโดยไม่พิจารณาให้ดีเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงในชีวิตของมนุษย์เพราะในแต่ละวันเราจะเจอคนที่วางใจได้วางใจไม่ได้หรือว่าจะต้องรอคอยเวลาพิสูจน์ทดสอบกันหน่อย แต่สรุปแล้วก็คือพิสูจน์ยากแต่กันพระคนที่เ้าดีจริงๆนั้นเขาไม่มีการเสแสร้งไม่มีมายาไม่มีโอกวดไม่มีแข็งดีไม่มีหลอกลวงไม่มีปลอมแปลงไม่มีเจ้าเล่ห์ทรงไปทรงมาบางทีอาการที่ทรงไปทรงมานี่คนบางคนเขาก็ไม่ชอบแต่ในจิตวิทยานั้นเราจะเห็นว่าก็สอนให้หลอกกันหมายความมาอาศัยแนวของจิตวิทยา แต่จิตวิทยาบางอย่างเวลาแสดงเนี่ยคืออาการหลอกลวงนั่นเองคนเราก็ชื่นชมคอนโดไม่ได้คิดอ่ะว่าวิธีที่เราแสดงเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเราก็ไม่จริงใจแต่สังคมเขาก็นิยมชมชอบอย่างนั้นเขาไม่สวยก็ต้องว่าเขาสวยเขาไม่ดีก็ต้องว่าเขาดีเขาไม่ฉลาดก็ต้องว่าเขาฉลาดแต่ถามมันนั้นคือความจริงหรือไม่ก็ตอบว่าไม่จริง แต่ทำไมต้องพูดล่ะเขาชอบอ่ะคือคนความเขชอบแต่ ว, ว่าเราต้องโกหกเราต้องทําบาปเพราะโกหกเพื่อจะเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เขาชอบเราทันนันเองแต่นั้นสังคมมันก็ถูกขับเคลื่อนเขาหาความอาการเลื่อนไหลของสังคเสริสังคมความต้องการความปรารถนาของสังคม การไว้ใจคนจึงมีปัญหามาตลอดแลวเราจะเห็นว่าสิ่งนี้ก็เรียกว่าในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพียงแต่ว่าใจิตใจเราไม่ควรจะคล้อยตามคนบางพวกและควรจะคล้อยตามคนบางพวกด้วยเหตุผลและสติปัญญาทั้งสองอย่างก็ใช่เหตุผลสติปัญญาเท่านั้น อย่าหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เป็นสูตรไปเลยนะว่าใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบความแล้วตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทําที่ควรตำหนิใช้ปัญญาพิจารณาเทียบเคียงโดยรอบความแล้วยกย่องคนที่ควรยกย่องเมื่อเขามีการกระทําที่ควรยกย่องจะแน่นอนการกระทําเหล่านี้บางครั้งเสียแซงก็ไาใด มายากก็ได้โอ้โหดก็ได้หลบลวงก็ได้ปลอมแปลงก็ได้โดยเะนีกระแสสื่อนี่มาแรงเราจะเห็นว่าโทรทัศน์บางช่องมีการโฆษณาสินค้าโดยเฉพาะพวสมุไพรทั้งหลายนี่แรงเลยคือมีตัวยามีตัวละครมีหน้ามา้ามาแสดงกันก่อนที่ทางราชการจะสรวสอบแล้ววินิจฉัยตัดสิน จับกลุมหรือส้างให้ยุตินี่โอ้ยเลอไปได้เยอะแล้วนี่คือโลกอ่ะคือโลกเขาก็เป็นนะเขาอย่างนี้เราลองดูภาษาดิบุตรเองภาษาดิบุตรเองก็เคยพลาดมาในการไปหลงเชื่อการสนุกสนานรื่นเริงด้วยการแสดงการละเล่นต่างๆบนภูเขารอบล้อมรอบก ร, ร, รุงราชสึก แล้วก็ไปหลงเชื่อของสัญชัยแต่ท่านมีปัญญาเข้ากำกับมีปัญญากำกับหมายความว่าไม่ให้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างดีก็ห้าสิบห้าสิบจากนั้นก็เริ่มศึกษาสอบสวนคนว้นคว้าเทียบเคียงสอบทานแล้วก็หาข้อยติแล้วก็วินิจฉัยท่านก็วินิจฉัยได้ พอเห็นพระอัจฉริท่านก็วินิจฉัยเลยนั้นแสดงว่าอาการของพระอัจฉรินั้นสอดคล้องกันทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจมันสอดคล้องกันสอดรับกันว่าการที่สงบนั้นก็คือมาจากจิตที่สงบดังนั้นในที่สุดก็นำท่านไปสู่การออกบวชในพระพุทธศาสนาเพราะแนวเหล่านี้อย่าลืมว่า พระพุทธเจ้าก็ราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศสกษาเรู่ก็มีตั้งหลายครั้งที่ไปหลงประพฤติปฏิบัติตามลัฐีความเชื่อของคนในสมัยนั้นโดยเฉพาะในช่วงมาพปินทุกขกิริยานี่มีมากเลยเกินแต่ว่าทดลองด้วยเหตุผลและสติปัญญาแต่ทำถึงที่สุดก็หยุดทำถึงที่สุดก็หยุดทำถึงที่สุดก็หยุด ไม่สามารถให้คําตอบได้ก็คือไม่ไม่เดินหน้าต่อไปแล้วในสุดพระองค์ก็ได้จัดสรุ ป, ปนคนทั้งประเภทเนี่ยทั้งคึ้หัสและบัญญัติจิตท่านบอกว่าทั้งคึ้หัสและบัญญัติจิหมายความว่าขึ้นรหัสที่ควรเชื่อถือก็ก็มี ควรไว้วางใจก็มีเป็นอันมากที่ไม่ควรชื่อถือไม่ไว้วางใจก็มีเป็นอันมากบรรปะชิตนั้นถ้าเป็นบนรรปะชิตจริงนี่ยที่จริงมันเชื่อได้แต่ทีนี้บรรปะชิตมันเราก็ตัดสินในรูปแบบจะมาเป็นพระก็มีนุ่งห่มยังไงแต่งเนื้อแต่งตัวยังไงพอเห็นเราก็ตัดสินใจแหละนี่เป็นพระนี่เป็นนักบวชแต่ว่าตัวเขาจริงน่ยเป็นหรือเปล่า ในปัจจุบนนันในเราจะเห็นว่าพระพร้อมในกรุงเทพเนี่ยวันหนึ่งนี่หลายร้อยอาจจะเป็นพันก็ได้ที่เดินบินตาบาทกันอยนี่ยืนคออยู่ตามร้านขายอาหารตักบาทต่างายยืนคออยู่ตามหน้าร้านขนอาหารกันเป็นคันรถเลยเป็นรถรุน่นรถตุกต๊กตุก๊กอะไรต่างๆนั่นก็แสดงให้เห็นว่า บุคคลจะต้องใคร่ครวพินิษ์พิจารณาอยู่เสมอก่อนที่จะเชื่อถือหรือคล้อยตามใครก็ตามแล้วก็เลยมาจะถึงข่าวคราวต่างๆจากสื่อทั้งหลายนี่ตาปกติเราก็ไม่รู้ว่าใครพูดเขาอาจจะบอกชื่อแต่เราก็ไม่รู้ภูมิหลังของเขา คนนั้นก็แสดงวาท ก, กรรมออกไปมากมาย ก, ก, ก่ายกองดูแล้วก็น่าศรัทาเรื่อมใสแล้วก็จริงเนี่ยถ้าเรามองให้รอบคอบตั้งสมมติฐานคิดพิริพิจารณาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้ น, ถ, น, น, นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นและในสุดมันตอบคําตอบไม่ได้หาคําตอบที่ยุติอย่างที่เขาว่าไม่ได้ หลาคนก็จะเชื่อกันคือบางทีเราได้ยินการทำพาดอะไรต่ไหเราก็เห็นว่นโกหกแต่พูดเร็วอะ่ะคนฟังไปคิดไม่ทันเพราะต้องฟังตามไปดิเลยแล้วสุดก็คำพูดเรานี้ออกมาเป็นข่าวเ็น่าวคนอ่านก็อ่านหนังสือพิมพ์มันเยอะฉะบับนก็อ่านอ่านลวกลวกอ่านไม่ทันได้คิด บางคนประเภทนี้ก็อยู่หลอกลวงโลกอยู่ได้ของไทยเรานี่เยอะนะฮะไทยเรานี่เตือนไปเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นในมงคลระสูตรเพื่อนฟังจะสังเกตว่ามงคลระสูตรตัวหัวใจที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือสองข้อแรกก็ว่า อ, อยากผูผ่านกับให้คูบ้บัณฑิตท่านติดเด็ดตินใจยังไงถ้าเลือกเฟ้นคนถูกหรือเปล่า คนที่ท่านคิดว่าเป็นบัณฑิตอ่ะบัณฑิตจริงหรือเปล่าคนที่ท่านคิดว่าก็เป็นคนผ่านอ่ะคนผ่านจริงหรือเปล่าก่อนจะตัดสินใจครบทั้งสองฝ่ายต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบไม่ใช่ว่าพอใครเขาบอกคนนี้เป็นบัณฑิตเราก็เออเป็นบัณฑิตอ่ะคนนี้เป็นผ่านก็เออเป็นผ่านอย่างนี้มันเป็นขุนพลอยพยักมากเกินไปก็ต้องไขครคัรวนพินพิจารณาให้ดีสักก่อน ทีนี้ถ้าเราเลือกคบบัณฑิตได้เนี่ยอย่างอื่นมนจะตามมาเองโดยธรรมชาติของมันหนึ่งเราได้หลักการจากบัณฑิตสองเราใช้ปัญญาพิจารณาเอาเองสมประสบการณ์ที่สะสมของเราเมื่อเดินบนเส้นทางของบัณฑิตแต่มงคลสามประการในสองข้อเนี่ยสองข้อเป็นตัวการวินิจฉัยทางแยกแก่เราว่าคุณจะไปทางซ้ายหรือทางฝาละ่ะ ทางซ้ายก็เหมือนเขาผ่านทางขวาวก็เหมือนเขาบัณฑิตถ้าคุณมาทางขวาต่อไปคุณจะบูชาผู้ควรบูชาคุณจะอาจจะไม่อยู่ในประเทศที่สมควรมาก่อนแต่ก็เห็นว่าเพราะการเขาผ่านสมาคมก บ, บัณฑิตบัณฑิตท่านก็แนะนําเราก็เลือกในอยู่ในประเทศที่สมควรบุญที่กระทำไว้ก่อนเราไม่รู้ปริมาณของบุญนั้นเราก็เพิ่มเพินบุญขึ้นเพราะ บูชาผู้ควรบูชาและคบหาสมาคมกับบัณฑิตโดยในสุดมันก็ฝ่ายใจที่จะตั้งตัวเองไว้ในทางที่ชอบจากนั้นก็มีการศึกษามีการแสวงหาความชำนิชำนาญเฉพาะทางจนพัฒนาตัวเองให้อยู่ในระเบียบพินยัยแล้วก็เวลาสื่อสารติดต่ออะไรกับใครอย่างไรก็ใช่วาจาที่เป็นสุภสิทธิ์มงคลมันก็เดินไปหมดเลยทางอีกสามข้อเนี่ยมันจะเดินไปเองโดยธรรมชาติ นี่ก็คือจุดเริ่มต้นจะเป็นเรื่องสำคัญสำคัญว่าคุณตัดสินใจยังไงถ้าตัดสินใจผิดมันก็ผิดกันไปเป็นแถวอะแต่ถ้าตัดตัดสินใจถูกมันก็ถูกกันไปเป็นแถวอย่างที่เขานิยมพูดกันในปัจจุบันก็ชาวบ้านเขาพูดนะฮะเขาก็บอกว่ามันปัญหาสำคัญว่ากัดกระดุมเม็ดแรกเนี่ย มันถูกหรือเปล่าถ้าผิดที่เม็ดแรกมันก็ผิดตลอดแถวนั้นแแต่ถ้าถูกที่เม็ดแรกมันก็ถูกลงไปได้ตลอดแถว น, นี่เป็นการสอนให้เรามีจุดเริ่มต้นชีขาที่ไม่ต้องส่มเสียงมากเกินไปโดยอย่าไปปักใจฝังใจกับคนบางพวกจนถึงก็วางใจแบบมอบกายถวายชีวิต เวลานี้บางทีมาในรูปของนักบวชนะในระทธศานสนาเรามีเยอะที่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าโดยเพศของนักบวชก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงชาวบา้านตามเมื่อไหรเมื่อไ ร, อไรก็เมื่อ น, นั้นแหละตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเพราะว่าธรรมชาติของสังคมก็เป็นเช่นนั้นอะไรก็ตามที่สังคมไปกาหนดว่ามีค่ามีราคา เป็นสิ่งดีงามมันก็จะมีสิ่งเรียนแบบสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นเสมออย่างที่อะไรล่ะปัจจุบันเนีเขาพูดถึงเทพผีสีดเถื่อนอะไรก็ตามที่พอดังขึ้นมาเนี่ยก็จะรวยในหมู่ของพวกทุจริตคือพวกปร้พวกปลอมทั้งหลายและบางทีเราก็ไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ จะมีการเซ็นเซอร์เรื่องบางเรื่องพอพวกนี้ลงใต้ดินล้าเลิกพูดเลยตามไม่เจอเพราะว่ามันจะมีแนวร่วมที่หากินด้วยกันบางคับมาตราจากนั้นที่ตำรวจเนี่ยก็ไปด้วยเลยเราก็ถูกหลอกได้อยู่ดีเลยแต่ผีสีนีเถื่อนก็ไม่หายไปจากสังคม อย่างนึกว่าต่อไปเนี่ยความเจริญก้าวหน้าในเรื่องเหล่านี้มันจะมีมากขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันน่าจะขโมยตัวลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ก็ขโม ย, ยเยอะนะเช่นตำราตำนานเนี่ยต่อไปโอกาสที่จะถูกขโมยเนี่ยมีเยอะอาจจะใช้ตัดแปะเอาหรืออาจจะใช้ เปลี่ยนหน้าปกเปลี่ยนคำนำํานําเปลี่ยนอะไรเสียข้าหน้าคนที่จะอ่านเจอเนื้อในเนี่ยมันมีไม่เท่าไรหรอกส่วนมากหนังสือที่บรรลังไหลเข้ามาเนี่ยมากเกินกําลังที่เราจะอ่านได้หมดมันมากจริงๆแล้วก็เริ่มมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบางครั้งนี่ตรวจวิทยาในผลเขาตัวจตั้งหลายรอบอนะตรวจตอนเขาเริ่มทํา เอาก็ะตุกันแล้วคือนี่กูก็เล็กตาก็ลายอะแล้วเราก็เห็นว่ามีเป็นนันมากที่ตัดแปะมาแต่ว่ามันข้อความมันก็ไปได้อ่ะนะข้อความก็ไปได้มันไม่ถึงก็ห้ามตัดแปะแต่เราตัดแปะมากเกินไปก็ไม่ไหวเหมือนกันอาการหนักต่อไปคุณภาพมันจะต่ําลง คนจะพูดแล้วก็อะไรอะเวลานี้ที่คอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งนั่งอ่านตามคอมพิวเตอร์อะคือในที่สุดเราจะไม่ค่อยได้ใช้ความคิดให้สัมพันธ์กับสถานาการณ์ตรงนั้นตัวอย่างอุปมาอุปไมยเทียบเคียงที่ให้ทันกับกลุ่มคนที่นั่งอยู่ในขณะนั้น พอเราไปนั่งอ่านเนี่ยอ่านมันเปรียบ ม, มาจากที่หนึ่งในสภาพใวล้อมเนี่ยเแต่เวลาพูดเนี่ยมันพูดในที่หนึ่งสภาพใวล้อมก็เป็นอีกอย่างหนึง่งทาให้ข้อความบางข้อความเนี่ยไม่ร่าวใจไม่ตื่นเต้นไม่มีการเน้นย้ํานลีสุดมันก็คุ้นชินคุ้นชินคือสอนจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กก็นั่งถอนอยังไง น, นั่งอ่านไป ตัวเองก็ไม่ได้ส่งเสริมความคิดนักศึกษาเองก็ไม่ได้ส่งเสริมความคิดเท่าที่ควรบางครั้งบางคราวมันก็ต้องคุยกันเปิดโอกาสให้สักถามสอบถามแล้วก็มีการอาธิบายการชี้แจงกันแต่พอมาแบบนี้ไปเรื่อยๆนานๆไปในสุดนนักศึกษาก็ใช้คอมพิวเตอร์อโน้ตบุ๊ก อาจารย์ก็ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เวลาไม่มีเครื่องเหล่านี้ยปัญหาว่าทำยังไงเรามีหน่วยความจำในเรื่องเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้เสมอไม่ได้ใช้ตลอดทุกกรณีบางทีมันก็ต้องพูดปากเปล่า เพราะถ้าเรามองถึงหลักการของพระพุทธเจ้าที่ทรงวางไว้เนี่ยองค์ขอพระหหสูตเนงสุตะคือมีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสมากตาตาคือทรงจําสิ่งเหล่านั้นไว้ได้มากวจจะสาปริจิตาบางอย่างนี่แม่นยํากฎเกณฑ์หลักการวิธีการต่างๆนี่แม่นยําแล้วก็นํามาคิดคิดจนเกิดความเข้าใจ พอเข้าใจแล้วเราจะเห็นว่าอีกสามข้อแรกเนี่ยมันเป็นตัวเสริมเป็นวัตถุดิบที่จะนำมาสู่การย่อยด้วยระบบการคิดจนเกิดความเข้าใจพอเข้าใจมันก็ไม่ลืมแล้สามารถจะอธิบายในสถานการณ์ต่างๆได้โดยไม่ต้องไปพวัตพระวัาพวบนดูหน้าจออยู่ เรื่องตั้งหลายจริงๆต้องมองไกลด้วยต้องมองไปข้างหน้าคือมองให้ไกลด้วยการครอบคนก็เหมือนการการเชื่อคนก็เหมือนกันมันต้องมองไกลอะ่ะผลกระทบจากการครอบนั้นเราเป็นผู้รับเป็นผู้เสวยผลจากการครอบหาสมาคมกันหากว่าเกิดเราไป วางใจคนที่ไม่ควรวางใจแล้วไม่วางใจในคนที่ควรวางใจอย่างนี้ก็ลงทางนะ่ะกลายเป็นพวกคบผ่านไปพวกโคพานเนี่ยมงคลทั้งสามที่หกข้อหลังเนี่ยมันจะลม้มล้มละลายไปเลยเพราะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เราเริ่มต้นที่โคพานแล้วก็เข้ารถเข้าพงกันไปก็ปต่อไปท่านบอกว่าก็ตอนต้นถึงแม้จะเป็นคนดี ไปหลังอาจเป็นคนไม่ดีก็ได้นะคนที่ยิ้มเข้ามาหาเราเนี่ไม่ได้หมายความมาด้วยความเป็นมิตรเสมอไปก็ซ่อนดาบมาในรอยยิ้มก็ได้เขาคิดอะไรไม่ดีอยู่ก็ได้แต่เขาก็ยิ้มเข้าม า, าเพื่อเป็นการหลอกลวงให้ตายใจ หลักการเหล่านี้ยที่จริงโบราณเนี่ยสอนมากเพราะเรื่องคนเนี่ยมันแมมมันปัญหาไม่รู้จะว่ายัางไงก็กคโครงโลกกนิตบอกว่ามหาสมุทรสุดลึกล้นคอนน า, นาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้เขาสูงงัดวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นทายยากแท้อย่างถึงเพราะอย่าตัดสินใจอะไรง่ายๆวางใจใครได้ง่ายๆ ต้องคิดถึงคนเหล่านั้นแล้วก็คิดนานๆพระเจ้าทรงแสดงว่าความเป็นผู้มีสีนั้นจะต้องรู้ด้วยการอยู่ร่วมกันแล้วต้องอยู่ร่วมกันนานๆในขณะที่อยู่ร่วมกันนั้นต้องสังเกตต้องพินิษพิจารณาจึงจะรู้ถ้าไม่สังเกตไม่พิจารณาจะไม่รู้ไอตอนหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเนี่ย มันมีเยอะมากมีกระจายอยู่บาทีก็ท่าทางเคร่งครัดสมถะเรียบร้อยสวยงามคนก็ครับผมครับผมครับผมพอลายออกมาเนี่ยหมดเรื่องเลยวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นแรงนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่ท่านสอนแบบศีลธรรมธรรมดานะ เราท่านก็บอกว่าหรือตอนต้นเป็นคนไม่ดีแต่ตอนหลังกลับเป็นคนดีก็ได้ผล อ, อย่าตัดสินเอาระยะสั้นๆต้องใช้เวลาในการพิจารณาในการตัดสินในการโปร่งใจเชื่อหรือว่าปฏิเสธนะทั้งสองอย่างไม่ใช่ว่าไปเน้นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งคือปร่งใจเชื่อก็อย่าหุนหัน ปฏิเสธก็อยากุนันเพราะบางทีในภาพลักษณ์น้อกของคนเนี่ยมันดูไม่น่าเชื่อเลยก็เป็นคนซื่อสัตย์น่ารักนิสัยจิตใจดีอ่อนโยนบางคนก็จะอาจจะรูปร่างหน้าตาท่าทางกิริยามัญญาสุภาพเรียบร้อยสวยงาม แต่อาจจะเป็นอันตรายเอาในโอกาสหนึ่งโอกาสใดก็ได้ทีนี้ข้อต่อไปท่านบอกว่าเป็นข้อที่ร้อยพันเก้านะฮะพันเก้าพันเก้าไม่ใช่ของพระสารีบุตรองค์เดียวแต่หมายความว่าคือเขาเรียงมาอย่างเงี้ยเขาก็นับเลขมาเรื่อยๆตัวเลขของภระสิทธิที่ปฏิระแต่ละองค์ท่านกล่าวไว้ในตอนต้นๆเนี่ยมันก็เรียงกันมาตั้งแต่เล่มแรก จนมาถึงเล่มสุดท้ายของเรื่องขัตไอตัวตัวเลขมันก็สูงขึ้นแต่ว่าของภาษาริหรุดมันก็เดิมวก็มีอยู่ตอนหนึ่งตอนหนึ่งที่เริ่มเป็นคาถาที่มาถึงพันไม่ใช่ว่าของท่านตั้งพันกว่านะฮะแต่ว่าของท่านก็คือเท่าที่ท่านกล่าวเท่าที่ท่านกล่าวใน ในที่ต่างๆดูลักษณะของการเป็นภาษิต์แล้วคือมันมีการสรุปรวมมาจากที่ต่างๆ ต, ตัางกล่าวไว้ในที่ไหนเขาก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าฟังดูนี่ฟังออกว่าเป็นพูดกับชาวบ้านหรือว่าพูดกับพระหรือพูดกลุ่มคนเป็นหมู่หรือว่าพูดคนไม่กี่คนแล้วก็เป็น เป็นพระบางทีก็เป็นพระอย่างข้อที่แล้วในเราจะเห็นว่ามันก็เป็นได้ทั้งพระทั้งชาวบ้านพราะการไว้วางใจคนเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับคนโดยการพระก็เกี่ยวข้องกับคนชาวบ้านก็เกี่ยวข้องกับคนก็ทุกฝ่ายต้องคิดด้วยกันต้องพิจารณาคนด้วยกันนะแล้วเราเองคนอื่นก็จะตัดสินใจยอมรับหรือ ือถือถ้อยคำเราหรือไม่เขาก็ต้องคิดนะเขาก็ต้องคิดเขาก็ต้องพิจารณาเราทำมาอย่างนั้นแล้วความสุ่มเสี่ยงในการตัดสินใจมันก็จะมีได้ไปเรื่อยๆของวาษสารนิบุตรที่จริงก็เริ่มมาจากข้อที่981หรือ ม, มา900ที่81ตอนนี้ก็มาถึงข้อที่1059 ปัญ伽บอกว่านิบบอห์ห้าเหล่านี้คือการมาฉันพยาบาททีนมิถะอุทจักกุกุจาวิจิกิชาเป็นธรรมเครื่องสร้างหม่องใจของภิกษุนี่แสดงว่าท่านพูดกับภิกษุเพราะว่านิบบอที่จริงไปทําเรข้าวสร้าหมองใจของคนทุกคนนั่นแหละคือใครก็ตามที่มีนิบบออยู่ภายในใจใจก็สร้างหมองอยู่ด้วยกันทั้งนั้นการมฉันนั้นเป็นกิเลสประเภทโลภะ มีการเหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่เรารักใคร่พอใจในอดีตในอนาคตรหรือปรารถนาปรารถนาในอนาคตรหรือเพลิดเพลินใาปัจจุบันหรือหอยอะไรถึงอดีตเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกาลมาจั น, นเป็นความคิดอะจิตมันไม่ดิ่งเราจะเห็นว่าจิตมันวิ่งตลอดพยาบาทนั้นเป็นกิเลสประเภทโทสะอาจจะโทสะในอดีตโทสะในปัจจุบันโทสะใน คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตคาดหมายว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตทีนามิธาแปล ว, ว่าความง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึม ง, งอยเหงาต่างๆมันก็เป็นอาการของโมหะซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะง่วงเหงาหานอน แล้วอุทกุกุจจะอุทจจะนั้นเป็นกิเลสประเภทโมฆะกุกุจจะนั้นเป็นกิเลสประเภทโทสะเดี๋ยวจะเห็นว่าไม่นิ่งทั้งคู่เลยอุทจจะก็ฟุ้งตลบไปหมดเลยกุกุจจะก็รำคาญไปหมดเลยงานอดีตอนาคตปัจจุบันวิจิกิจฉานั้นเป็นกิเลสประเภทโมฆะ เป็นความเครือบแครงสงสัยไม่ใช่ระบบการคิดที่มีระบบโดยหลักของโยนิในโสมนสิการสงสัยแม้ในาศาสนาของตัวเองเราจะเห็นว่าลักษณะเหล่านี้เมื่อไปดูที่อาการของมนุษย์เนี่ยเมื่อก่อนมีข่าวทางโทรทัศน์เขาเอาพระไปอยู่ในที่กรงเหล็กนะะโอ้โหเยอะ แล้ววางไม่ค่อยจะเรียบร้อยด้วยปลัวขาโมยเหม้นมีใบสั่งไม่น่าเชื่อนะคนสมัยนีย้มันโหดร้ายมันรุนแรงมันคิดได้ยังไงอะมันคิดได้ยังไงถึงแม้จะคนนับถือศาสนาอื่นแต่คิดได้ยังไงว่าที่เคารพสักการะของเพื่อนร่วมโลกของตนเองแล้วเมื่อเป็นภาพ เป็นปฏิมาคือภาพเปรียบเทียบของพระพุทธเจ้าพูะเจ้าเป็นเป็นเป็นเอกบุรุษเป็นอภิมนุษย์เสียเดียกับคนเราทั้งหลายนี่แต่ทรงเป็นอภิมนุษย์านั้นเองเพราะันมันก็เป็นต้นแบบของมนุษย์ที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถพัฒนาตัวเองไม่ได้สูงสุดจนเป็นพระพุทธเจ้าได้เราไม่นับถือก็อย่าถึงก็ทําลาย แต่ว่าส่วนใหญ่มันกลายเป็นคนไทยอะเป็นคนไทยแล้วนับถือพูดด้วยสิไปตัดเสียนพระพุทธรูปจำหน่ายไปขโมยพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์คนก่อนตาป้าอสานี่เป็นนักศึกษานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเรียนมังฝ่ายโบราณคดีด้วย มองพระเป็นของเล่นแบบโบราณคดีแบบโบราณวัตถุนี่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่มีความเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปสู่การไม่เชื่อมั่นในบาปุลคุณโทษไม่เชื่อมั่นในรักรสวรรค์ อันนี้เขาเคยยึดโยงกันนะมากว่ามาถ้าเราสงสัยในพระพุทธเจ้าเราก็สงสัยในพระธรรมแต่เราไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหลวก็ไม่เชื่อมัน่นเพราะการดํำรงอยู่ของพระพุทธศาสนามันจึงอยู่ที่การยอมรับนับถือศรัทธาในประรัตตนไตรโดยอาศัยการใช้ปัญญาปิณิพิจนาโดยเหตุด้วยผล เอาหนังสือธรรมะมาอ่านสักเล่มก็ได้อ่านจากพระสูตรสักสูตรหนึ่งก็ได้เราจะเห็นว่าไม่น่าเสียดายหรือถ้าหากว่าคำสอนระดับเยี่ยมๆอย่างนี้มันเกิดอันตรฐานไปจากโลกเอกสารที่จารึก ถ, ถูกเผาทำลายหมดแล้วคนที่อยู่ในยุคนั้นก็ละเลยทอดทิ้ง ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่ได้รับผลไม่มีการเผยแผ่ทุกคนต่างละเลยทอดทิ้งมนุษย์มันก็จะย้อนยุกอะย้อนยุคเข้าสู่ยุคดึกดำบัรดมีจิตใจหารโหดรุนแรงแลอาจะถึงเป็นมิจัาญีกะลียุคคือมีการเข็นฆ่าทำลายล้างกัน ปนาตมขาดว่าคนเหล่านี้เราไม่มีโอกาสคุยคือยังนึกอยู่เสมอจากการมีประสบการณ์ในการอบรมนักโทษมานานตั้งแต่ศูนย์สี่ถึงสองศูนย์นะศูนย์สี่ถึงสองศูนที่ต่อเนื่องอะเฉพาะที่ต่อเนื่องมีเป็นครั้งเป็นคราวระยะหลังก็มีเป็นครั้งเป็นคราว ก็คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเขก็เกรงใจไม่กล้านิมนต์ที่จริงเราเองก็ชอบนะฮะชอบไปนั่งคุยกันนักโทษนพอเราพูดทีหนึ่งให้เขาได้หลักคิดสักประโยคหนึ่งก็ดีแล้วเป็นเตือนจิตสกิดใจใเขาอยู่ได้ตลอดจนนาน จ, จะกลายเป็นอุดมการณ์อุดมคติในการครองชีวิต ก็เป็นบุญเป็นกุศลขอ ง, ของเขาแล้วคือถ้าเราไม่โอกาสคุยกันเนี่ยมันพอคุยได้แต่ว่าไม่มีโอกาสได้คุยยาในก็ดีเกี่ยวกับโรคจิตอะไรต่างๆนะเคยไปทดสอบให้หมอดูบอกว่าที่หมอทำเนี่ยที่จริงมาทำได้นะไม่ต้องไปอ่านตำราของหมอหรอก แต่ว่าด้วยธรรมะเนี่ยแต่ธรรมะนี่เราสามารถทำได้หมอเ่าจัดมาให้สิบแปดคนนะ่ะนั่งล้อมวงคุยกันเราก็นั่งแถงไม่ตาแล้วก็คุยไปเรื่อยๆนยะคุยแบบอบบุญแบบบรรยากาศของครอบครัวนะหลวงปู่นั่งคุยกันลูกหลานมันประกายตาที่ตื่นตรหนก จีวัดระแวงที่สงสัยไม่มั่นใจเนี่ยมันค่อยหายไปค่อยหายค่อยจางไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่เวลามันไม่มากเวลาไม่มากพอมันต้องต่อเนื่องนะต้องทำต่อเนื่องกันต้องสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกว่าเรากับเขานี่เป็นพวกเดียวกันก็เราเขาวางใจได้มั่นใจได้เราเป็นเพื่อนกัน และในที่สุดนี่เรื่องทั้งหลายก็อยู่ในวิสัยที่เราจะแก้ไขแต่ว่าความคิดทางสังคมเนี่ยมันไม่ให้ความสำคัญต่อาศาสนาไม่เห็นคุณค่าของาศาสนาชอบเล่นิเล่นหินนี่เนี่ยแต่ไม่คิดจะพัฒนามนุษย์แล้วก็เอาเงินวัตถมาเสียเวลาแก้ไขปัญหามนุษย์กันมากมายไก่กอง